วิธีปฏิบัติต่อกรรมเก่าให้เกิดประโยชน์จากหนังสือเหตุปัจจัยในปฏิจจสมุปบาทและกรรมโดยสมเด็จพระพุทธโค า, าจารย์ปออประยุตโตวิธีปฏิบัติต่อกรรมเก่าให้เกิดประโยชน์ตามหลักเหตุปัจจัยในปฏิจจสมุปบาทอันเป็นหลักธรรมชาติซึ่งเป็นหลักสําคัญในพระพุทธศาสนาที่ผู้ต้องการพ้นทุกข์ควรใส่ใจศึกษาให้เข้าใจ ในที่นี้ท่านอธิบายภาพรวมสําหรับคนทั่วไปเข้าใจได้ง่ายแต่ก็อาจจะรู้สึกยากสาหรับคนมาใหม่บ้างแต่จะแค่เฉพาะ3หัวข้อแรกนะครับต่อจากนั้นจะเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติต่อกรรมที่เข้าใจง่ายแต่จําเป็นต้องเข้าใจหลักเบื้องต้นของเหตุปัจจัยตามหลักวิชาก่อนจึงควรฟังกันไปตามลําดับนะครับวิธีฟังธรรมะที่ดีคือควรฟังด้วยจิตที่สบายสักแต่ว่าฟังไปก่อนไม่เข้าใจก็ผ่านไปก่อน มีโอกาสค่อยกลับมาฟังซ้อีกทีเมื่อถึงเวลาจะเข้าใจไปเองโดยบางครั้งจะพบว่าที่เคยคิดว่าเข้าใจแล้วกลับเข้าใจได้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนะครับเนื้อหาภายในประกอบด้วยบางส่วนของปฏิจจสมุปบาทที่ควรสังเกตเป็นพิเศษความหมายของเหตุและปัจจัยวิธีปฏิบัติต่อกรรมทากรรมเก่าให้เกิดประโยชน์อยู่เพื่อพัฒนากรรมไม่ใช่อยู่เพื่อใช้กรรมกรรมระดับบุคคล การระดับสังคมเสียงอ่านโดยอริยะคุณจัดทาเพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานโดยครอบครัวลิ้วสำริดและครอบครัวพันเกตมงคลขอทุกท่านร่วมอนุโมทนาสัพพท า, านังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงขอเชิญทุกท่านรับฟังร่วมศึกษาธรรมไปพร้อมกันเลยนะครับหัวข้อที่หนึ่ง บางส่วนของปฏิจจสมุปบาทที่ควรสังเกตเป็นพิเศษปฏิจจสมุปบาทเป็นเรื่องของกฎธรรมชาติจึงเป็นเรื่องใหญ่มีความกว้างขวางลึกซึง้งและมีแง่ด้านต่างๆมากมายละเอียดซับซ้อนอย่างยิ่งไม่ต้องพูดถึงว่าจะยากต่อการที่จะเข้าใจให้ทั่วถึงแม้แต่จะพูดให้ครบถ้วนก็ยากที่จะทาได้ด้วยเหตุนี้ในการศึกษาทั่วไป เมื่อเรียนรู้หลักพื้นฐานแล้วก็อาจจะศึกษาบางแง่บางจุดที่น่าสนใจเป็นพิเศษโดยเฉพาะส่วนที่เกื้อหนุนความเข้าใจทั่วไปและส่วนที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตแก้ปัญหาและทำการสร้างสรรค์ต่างๆในที่นี้จะขอย้อนกลับไปยกข้อควรทราบสำคัญที่กล่าวถึงข้างต้นขึ้นมาขยายความอีกเล็กน้อยพอให้เข้าใจชัดเจนมากขึ้นและเห็นทางนาไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะในแง่ของหลักกรรมที่เป็นธรรมะสืบเนื่องออกไปอย่างไรก็ตามเนื่องจากหัวข้อนี้เป็นเพียงคำอธิบายเสริมการขยายความจึงทาได้เพียงโดยย่อในหนังสือพุทธธรรมฉบับเดิมหน้า85ได้เขียนข้อความสั้นๆแทรกไว้พอเป็นที่สังเกตดังต่อไปนี้ข้อควรทราบที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ ความเป็นปัจจัยแก่การขององค์ประกอบเหล่านี้มิใช่มีความหมายตรงกับคำว่าเหตุทีเดียวเช่นปัจจัยให้ต้นไม้งอกขึ้นมีใช่หมายเพียงมเมล็ดพืชแต่หมายถึงดินน้ำปุ๋ยอากาศอุณหภูมิเป็นต้นเป็นปัจจัยแต่ละอย่างและการเป็นปัจจัยแก่การ น, นี้เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่จำต้องเป็นไปตามลำดับก่อนหลังโดยกาละหรือเทสะเช่นพื้นกระดาน เป็นปัจจัยแก่การตั้งอยู่ของโต๊ะเป็นต้นข้อความนี้บอกให้ทราบว่าปฏิจจสมุปบาทเป็นหลักความจริงของธรรมชาติที่แสดงถึงความสัมพันธ์เป็นเหตุปัจจัยแก่กันของสิ่งทั้งหลายหัวข้อที่สองความหมายของเหตุและปัจจัย เบื้องแรกควรเข้าใจความหมายของถ้อยคำเป็นพื้นไว้ก่อนในที่ทั่วไปหรือเมื่อใช้ตามปกติคำว่าเหตุกับปัจจัยถือว่าใช้แทนกันได้แต่ในความหมายที่เคร่งครัดท่านใช้ปัจจัยในความหมายที่กว้างแยกเป็นปัจจัยต่างๆได้หลายประเภทส่วนคำว่าเหตุเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งซึ่งมีความหมายจำกัดเฉพาะลาวคือปัจจัย หมายถึงสภาวะที่เ อ, อื้อเกื้อหนุนค้ำจุนเปิดโอกาสเป็นที่อาศัยเป็นองค์ประกอบร่วมหรือเป็นเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะให้สิ่งนั้นๆเกิดมีขึ้นดำเนินไปหรือจเจริญงอกงามส่วนคำว่าเหตุหมายถึงปัจจัยจำเพาะที่เป็นตัวก่อให้เกิดผลนั้นๆเหตุมีลักษณะที่พึงสังเกตนอกจากเป็นปัจจัยเฉพาะ และเป็นตัวก่อให้เกิดผลแล้วก็มีภาวะตรงกับผลคือสภาวะและเกิดสืบทอดลำดับคือตามลำดับก่อนหลังด้วยส่วนปัจจัยมีลักษณะเป็นสาธารณะเป็นตัวเกื้อหนุนหรือเป็นเงื่อนไขเป็นต้นอย่างที่กล่าวแล้วอีกทั้งมีภาวะต่างคือประภาวะและไม่เกี่ยวกับลาดับ อาจเกิดก่อนหลังพร้อมกันร่วมกันหรือต้องแยกกันไม่ร่วมกันก็ได้ตัวอย่างเช่นเม็ดมะม่วงเป็นเหตุให้เกิดต้นมะม่วงและพร้อมกันนั้นดินน้ำอุณหภูมิโอชาคือปุ๋ยเป็นต้นก็เป็นปัจจัยให้ต้นมะม่วงนั้นเกิดขึ้นมามีเฉพาะเหตุคือเม็ดมะม่วงแต่ปัจจัยที่เกี่ยวข้องไม่พร้อมหรือไม่อํานวย ผลคือต้นมะม่วงก็ไม่เกิดขึ้นในเวลาอธิบายเรื่องเหตุปัจจัยมีอีกคำหนึ่งที่ท่านนิยมใช้แทนคำว่าเหตุปัจจัยคือคำว่าการณะหรือการซึ่งก็แปลกันว่าเหตุคำบาลีที่แปลว่าเหตุปัจจัยยังมีอีกหลายคำเช่นมูลนิธานสมุดฐานสมุดไทยปภ ะ, ะวะสัมภาวะหรือสมภพ ในพระอภิธรรมท่านจำแนกความสัมพันธ์ของสิ่งทั้งหลายที่เป็นเหตุปัจจัยแก่การนิไว้ถึง24แบบเรียกว่าปัจจัย24เหตุเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งใน24นั้นท่านจัดไว้เป็นปัจจัยข้อแรกเรียกว่าเหตุตุปัจจัยปัจจัยอื่นอีก23อย่างจะไม่กล่าวไว้ทั้งหมดที่นี้เพราะจะทาให้ฟั่นเฟือแก่ผู้เริ่มศึกษา เพียงขอยกตัวอย่างไว้เช่นนิสยปัจจัยปัจจัยโดยเป็นที่อาศัยอุปนิสยาปัจจัยปัจจัยโดยเป็นตัวหนุนหรือกระตุ้นสำปยุตปัจจัยปัจจัยโดยประกอบร่วมอธิปัจจัยปัจจัยโดยมีอยู่คือต้องมีสภาวะนั้นสิ่งนี้จึงเกิดมีได้นัตถิปัจจัยปัจจัยโดยไม่มีอยู่ ต้องไม่มีสภาวะนั้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นได้กูเรชาตปัปัจจัยปัจจัยโดยเกิดก่อนปัจฉาชาตัดปัดจจัยปัจจัยโดยเกิดที่หลังและอื่นๆที่ว่านี้รวมทั้งหลักปลีกย่อยที่ว่าอากุศลเป็นปัจจัยแก่กุศลคือชั่วเป็นปัใจจัยให้เกิดดีก็ได้กุศลเป็นปัจจัยแก่อากุศล คือดีเป็นปัจจัยให้เกิดชั่วก็ได้ด้วยปัจจัยข้ออื่นเมื่อแปลความหมายเพียงสั้นๆผู้อ่านก็คงพอเข้าใจได้ไม่ยากแต่ปัจฉาชาติปัจจัยคือปัจจัยเกิดที่หลังคนทั่วไปจะรู้สึกแปลกและคิดไม่ออกจึงขอยกตัวอย่างง่ายๆด้านรูปธรรมเช่นการสร้างตึกที่จะดาเนินการภายหลังเป็นปัจฉาชาติปัจจัยแก่การสร้างนั่งร้านที่เกิดขึ้นก่อน ส่วนในทางสภาวะธรรมด้านนามท่านยกตัวอย่างว่าจิตและเจตสิกซึ่งเกิดที่หลังเป็นปัจจัยแก่ร่างกายนี้ที่เกิดขึ้นก่อนขอสรุปความตอนนี้ว่าตามหลักธรรมซึ่งเป็นกฎธรรมชาติการที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือปรากฏการอย่างใดอย่างหนึ่งจะเกิดมีขึ้นได้ต้องอาศัยเหตุปัจจัยต่างๆหลากหลายประชุมกันพร่งพร้อม คือเป็นปัจจัยสามัคคีหัวข้อที่3ผลหลากหลายจากปัจจัยอเนกตามหลักแห่งความเป็นไปในระบบสัมพันธ์นี้ยังมีข้อควรทราบแฝงอยู่อีกโดยเฉพาะ ขณะที่เราเพ่งดูเฉพาะผลอย่างหนึ่งว่าเกิดจากปัจจัยหลากหลายพร่างพร้อมนั้นต้องทราบด้วยว่าที่แท้นั้นต้องมองให้ครบทั้งสองด้านคือ 1. ผลแต่ละอย่างเกิดโดยอาศัยปัจจัยหลายอย่าง 2. ปัจจัยที่ร่วมกันให้เกิดผลอย่างหนึ่งนั้นแต่ละอย่างหนุนให้เกิดผลหลายอย่าง ในธรรมชาติที่เป็นจริงนั้นความสัมพันธ์และประสานส่งผลต่อกันระหว่างปัจจัยทั้งหลายมีความละเอียดซับซ้อนมากจนต้องพูดรวมๆ ว, ว่าผลหลากหลายเกิดจากเหตุปัจจัยหลากหลายหรือผลอเนกเกิดจากเหตุอเนกเช่นจากปัจจัยหลากหลายมีมเมล็ดพืชดินน้ำอุณหภูมิเป็นต้นปรากฏผลอเนกมีต้นไม้ พร้อมทั้งรูปสีกลิ่นเป็นต้นย้าว่าความเป็นเหตุปัจจัยนั้นมิใช่มีเพียงการเกิดก่อนหลังตามลำดับกาละหรือเทษะเท่านั้นแต่มีหลายแบบรวมทั้งเกิดพร้อมกันหรือต้องไม่เกิดด้วยกันดังกล่าวแล้วเมื่อเห็นสิ่งหรือปรากฏการอย่างหนึ่งเช่นตัวหนังสือบนกระดานป้ายแล้วมองดูโดยพินิษก็จะเห็นว่า ที่ตัวหนังสือตัวเดียวนั้นมีเหตุปัจจัยแบบต่างๆประชุมกันอยู่มากมายเช่นคนเขียนซึ่งมีเจตนาบวกกับการเขียนมีชอบแผ่นป้ายสีที่ตัดกันความชื้นเป็นต้นรหัสจำแนกว่าเป็นปัจจัยแบบไหนนอกจากเรื่องปัจจัย24แบบที่เพียงให้ตัวอย่างไว้แล้วขอให้ดูตัวอย่างคําอธิบายของท่านสักตอนหนึ่งว่า แท้จริงนั้นจากเหตุเดียวในกรณีนี้จะมีผลหนึ่งเดียวก็หาไม่หรือจะมีผลอนเนกก็หาไม่หรือจะมีผลเดียวจากเหตุอนเนกก็หาไม่แต่ย่อมมีผลอนเนกจากเหตุอันอนเนกตามหลักการนี้ท่านสอนไว้ด้วยว่าในปฏิจจสมุปบาทที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเพราะอาวิชชาอย่างนั้นเป็นปัจจัย สังขารอย่างนั้นจึงมีเพราะสังขารอย่างนั้นเป็นปัจจัยวิญญาณอย่างนั้นจึงมีและอื่นๆดังนี้จะต้องไม่เข้าใจผิดไปว่าพระองค์ตรัสเหตุเดียวผลเดียวหรือปัจจัยอย่างหนึ่งไปสู่ผลอย่างหนึ่งเท่านั้นที่จริงนั้นในทุกคู่ทุกตอนแต่ละเหตุแต่ละผลมีปัจจัยอื่นและผลอื่นเกิดด้วยถ้าอย่างนั้น เหตุใดจึงตรัสช่วงละปัจจัยช่วงละผลทีละคู่ตอบว่าการที่ตรัสเหตุปัจจัยและผลเพียงอย่างเดียวนั้นมีหลักคือบางแห่งตรัสเพราะเป็นปัจจัยหรือผลตัวเอกตัวประธานบางแห่งตรัสเพราะเป็นปัจจัยหรือเป็นผลตัวเด่นบางแห่งตรัสเพราะเป็นปัจจัยหรือเป็นผลจำเพาะหรืออาศาทรณะ บางแห่งตรัสตามความเหมาะกับทํานองเทศนาเช่นกล่าวนั้นกรณีนั้นจะเน้นหรือมุ่งให้ผู้ฟังเข้าใจแง่ไหนจุดไหนหรือให้เหมาะกับเวไนคือผู้รับคําสอนเช่นยกจุดไหนประเด็นใดขึ้นมาแสดงบุคคลนั้นจึงจะสนใจและเข้าใจได้ดีในที่นี้ตรัสอย่างนั้นเราจะทรงแสดงปัจจัยและผลที่เป็นตัวเอกตัวประธาน เช่นในช่วงเพราะพัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีตรัสอย่างนี้เพราะพัสสะเป็นปัจจัยตัวประธานของเวทนาคือกําหนดเวทนาตามพัสสะและเพราะเวทนาเป็นผลตัวประธานของพัสสะคือกําหนดพัสสะตามเวทนาหลักความจริงนี้ปฏิเสธลทัทธิเหตุเดียวที่เรียกว่าเอกาการณาวาทะซึ่งถือว่าสิ่งทั้งหลายเกิดจากต้นเหตุอย่างเดียว โดยเฉพาะลัทธิที่ถือว่ามีมู ล, ลการเช่นมีพระผู้สร้างอย่างอิสระวาทะหรืออีสวนวาทะคือลัทธิพระผู้เป็นเจ้าบรนดาลปาชาปฏิวาทะลัทธิถือว่าเทพประชาบดีเป็นผู้สร้างสรงสรสสาปกติวาทะลัทธิสรางขยะที่ถือว่าสิ่งทั้งปวงมีกำเนิดจากประกริเป็นต้นประกติจากโคจนะนุกรมแปลว่า มูลเดิมที่เกิดรากเงาแม้แต่ในสมัยปัจจุบันคนก็ยังติดอยู่กับลทัทธิเหตุเดียวผพเดียวตลอดจนลทัทธิพลเดียวและประสบปัญหามากจากความยึดติดนี้ดังปรากฏชัดในวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มุ่งผลเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วศึกษาและนำความรู้ความเข้าใจในเหตุปัจจัยมาประยุกให้เกิดผลที่ต้องการ แต่เพราะมองอยู่แค่ผลเป้าหมายไม่ได้มองผลหลากหลายที่เกิดจากปจัจจัยอเนกให้ทั่วถึงในเรื่องนี้เพราะยังไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะมองเห็นอย่างนั้นด้วยจึงปรากฏบ่อยๆว่าหลังจากทำผลเป้าหมายสำเร็จผ่านไปบางที 20-30 ปีจึงรู้ตัวว่าผลร้ายที่พ่วงมากระทบหมู่มนุษย์อย่างรุนแรงจนกลายเป็นได้ไม่เท่าเสียวงการแพทย์สมัยใหม่ แม้จะถูกบังคับจากงานเชิงปฏิบัติการให้เอาใจใส่ต่อผลข้างเคียงต่างๆมากสักหน่อยแต่ความรู้เข้าใจต่อความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของปรากฏการณ์ต่างๆโดยส่วนมากก็ยังเป็นเพียงการสังเกตแบบคลุมๆไม่สามารถแยกปัจจัยแต่ละอย่างที่สัมพันธ์ต่อไปอย่างผลแต่ละด้านให้เห็นชัดได้ผู้โ ด, ดยรวมแม้ว่ามนุษย์จะพัฒนาความรู้ในธรรมชาติได้ก้าวหน้ามามากแต่ความรู้นั้น ก็ยังห่างไกลจากการเข้าถึงธรรมชาติอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามในด้านนามธรรมมนุษย์ควรใช้ประโยชน์จากความรู้ในความจริงของระบบปัจจัยสัมพันธ์ที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทนี้ได้มากโดยเฉพาะในการดำเนินชีวิตของตนคือในระดับกฎแห่งกรรมความเข้าใจหลักผลหลากหลายจากปัจจัยอเนกจะช่วยให้จัดการกับชีวิตของตนให้พัฒนาทั้งภายใน และดำเนินไปในโลกอย่างสำเร็จผลดีหัวข้อที่สวิธีปฏิบัติต่อกรรมเมื่อพูดถึงหลักกรรมปัญหาที่พูดกันมากที่สุดก็คือทำดีได้ดีจริงหรือไม่ ทำไมฉันทำดีแล้วไม่เห็นได้ดีถ้าเข้าใจปฏิจจสมุปบาทในเรื่องเหตุปัจจัยอย่างที่พูดไปแล้วปัญหาอย่างนั้นจะหมดไปแต่จะก้าวไปสู่คำถามใหม่ที่เป็นประโยชน์และควรจะถามมากกว่าว่าทำกรรมอย่างไรจึงจะได้ผลดีและได้ผลดียิ่งขึ้นไปอีกปัญหาหนึ่งคือกรรมเก่ามีผลต่อชีวิตของเราแค่ไหนและเราควรปฏิบัติต่อกรรมเก่าอย่างไร แม้ว่าเรื่องกรรมจะละเอียดซับซ้อนมากแต่ก็พอจะให้หลักในการพิจารณาที่สำคัญได้ขอให้ทบทวนตามหลักใหญ่ที่ได้พูดไปแล้วดังนี้ 1. รู้หลักความตรงกันของเหตุกับผลต้องถามตัวเองหรือจับให้ชัดก่อนว่ากรรมคือความดีที่เราทำนี้เป็นปัจจัยตัวเหตุที่จะให้เกิดผลอะไร ที่เป็นผลโดยตรงของมันคือผลโดยตรงของเหตุเช่นการปลูกเมล็ดมะม่วงทำให้เกิดต้นมะม่วงไม่ใช่ได้ต้นมะปรางไม่ใช่ได้เงินเป็นต้นการศึกษาทำให้ได้ปัญญาและเป็นอยู่หรือจัดการกับชีวิตของตนและปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายได้ดีขึ้นในที่นี้คือปลูกมะม่วงจึงเกิดต้นมะม่วงไม่ใช่ได้เงินไม่ใช่ได้งานเป็นต้นการเรียนแพทย์ ทำให้สามารถบำบัดโรครักษาคนไข้ไม่ใช่ได้ตำแหน่งไม่ใช่ร่ำรวยเป็นต้น 2. กำหนดผลดีที่ต้องการให้ชัดจะเห็นว่าเพียงแค่ตามหลักความจริงของธรรมชาติว่าผลหลากหลายจากปัจจัยอเนกการแยกปัจจัยแยกผลก็ซับซ้อนอยู่แล้ว เมื่อพูดถึงสังคมมนุษย์ความซับซ้อนก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเพราะมีกฎมนุษย์และปัจจัยทางสังคมสอนขึ้นมาบนกฎธรรมชาติอีกชั้นหนึ่งขอยกตัวอย่างง่ายกฎธรรมชาติการทำสวนเป็นเหตุต้นไม้เจริญงอกงามเป็นผลกฎมนุษย์การทำสวนเป็นเหตุได้เงินเดือนเจ0ดพันบาทเป็นผล หรือการทำสวนเป็นเหตุขายผลไม้ได้เงินมากเป็นผลผลโดยตรงของเหตุเป็นผลของกฎธรรมชาติซึ่งเป็นไปตามความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัยที่เที่ยงตรงอย่างไรก็ดีผลที่คนพูดถึงกันมากมักไม่ใช่ผลโดยตรงของเหตุที่เป็นไปตามกฎธรรมชาตินั้นแต่คนมักพูดกันถึงผลตามกฎมนุษย์ กฎมนุษย์เป็นกฎสมมุติซึ่งขึ้นต่อเงื่อนไขคือสมมุติสมมุติมาจากบาลีที่ประกอบด้วยคำว่าสังคือร่วมกันบวกมติคือการยอมรับข้อตกลงรวมกันเป็นสมมติและอ่านแบบไทยว่าสมมุติแปลว่าการตกลงหรือยอมรับร่วมกันซึ่งพันแปลได้ และยังมีปัจจัยอื่นๆที่นอกเหนือกฎมนุษย์นั่นอีกเช่นค่านิยมของสังคมและความถูกใจพอใจของบุคคลเป็นต้นโดยมีความต้องการเป็นตัวกาหนดที่สำคัญจะเห็นว่าความหมายของคำไทยว่าดีหรือไม่ดีนี้มักจะกำกวมคำว่าดีนี้เรามักใช้ในความหมายว่าน่าปรารถนาตรงกับความพอใจชอบใจ หรือแม้กระทั่งเป็นไปตามค่านิยมดังนั้นจึงต้องมีการแยกแยะเช่นว่าดีตรงไปตรงมาตามความจริงของธรรมชาติดีต่อชีวิตดีในเชิงสังคมเป็นต้นยกตัวอย่างที่แสนจะง่ายใกล้ๆตัวเช่นเรากินอาหารอย่างหนึ่งที่มีผลดีต่อชีวิตทําให้มีสุขภาพดีแต่อาจจะไม่ดีในเชิงสังคมไม่สนองค่านิยมให้รู้สึกโก้เก๋ บางคนอาจจะดูถูกว่าเราตามต้อยหรือว่าไม่ทันสมัยแต่ชีวิตเราก็ดีในทางตรงข้ามมีคนอื่นมาให้ของกินอย่างหนึ่งแก่เราอาจจะเป็นขนมก็ได้ราคาแพงมีกล่องใสห่ อ, อ, อยังสวยหรูโก้เก๋มากดีเหลือเกินในเชิงสังคมเราอาจจะลิงโลดดีใจที่ได้รับแต่ถ้ากินเข้าไปของนั้นกลับไม่ดีต่อชีวิตของเราจะบั่นทอนสุขภาพ หรือก่อให้เกิดโรคนี่เป็นตัวอย่างซึ่งคงนึกขยายเองได้เพราะฉะนั้นคำว่าผลดีที่พูดถึงหรือนึกถึงนั้นจะต้องวิเคราะห์หรือกำหนดให้ชัดกับตัวเองว่าผลดีที่เราต้องการนั้นดีในแง่ไหนเช่นเป็นนักกีฬาเตะตะกรอ้อ 1. ผลดีตามกฎธรรมชาติ คือร่างกายแข็งแรงเคลื่อนไหวคล้าวคล่องเป็นปัจจัยส่งให้ได้ผลแน่นอนเท่ากับผลรวมหักลบแล้วของเหตุปัจจัย 2. ผลดีตามนิยามและนิยมของมนุษย์ในแง่กระแสะสังคมคือผู้คนชื่นชมนิยมยกย่องถ้าปัจจัยภายนอกไม่เ อ, อื้อคนสนใจน้อยได้รับการยกย่องในวงแคบ ในแง่อาชีพเป็นทางหารายได้มีเงินเลี้ยงชีวิตแล้วร่ำรวยถ้าปัจจัยภายนอกไม่เอือ้อแม้เป็นสัมมาชีพแต่หาเงินยากอาจฝืดเคืองในแง่วัฒนธรรมช่วยรักษาสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติปัจจัยภายในถ้าทำใจถูกต้องส่งให้รู้สึกว่าได้ทำประโยชน์ภูมิใจสุขใจแต่ปัจจัยภายนอก เงื่อนไขาการละเทสะคนอาจไม่เห็นคุณค่าขึ้นต่อสภาพสังคมและการเมืองนี้เป็นเพียงตัวอย่างของการที่จะต้องวิเคราะห์หรือกำหนดให้ชัดกับตัวเองว่าผลดีที่เราต้องการนั้นดีตามสภาวะของมันดีที่เป็นความดีตามหลักการแท้ๆเช่นดีเพื่อความดีหรือดีต่อชีวิตของเราหรือดีในแง่สังคมโดยการยอมรับ โดยระบบโดยค่านิยมเป็นต้นเมื่อชัดกับตัวเองแล้วว่าเราต้องการผลดีในความหมายใดก็วิเคราะห์ต่อไปว่าผลดีแบบที่เราต้องการนั้นจะเกิดขึ้นได้นอกจากตัวการกระทำดีที่เป็นเหตุรงแล้วจะต้องมีปัจจัยอะไรอีกบ้างปัจจัยเหล่านั้นมีอยู่หรือเอื้ออำนวยหรือไม่มีปัจจัยประกอบอะไรอีกที่เราจะต้องทา เพื่อให้ครบถ้วนที่จะออกผลที่เราต้องการถ้าต้องการผลดีที่ปัจจัยไม่เอือ้อผลยากที่จะมาจะยอมรับหรือไม่เป็นต้นขอย้ำว่าผลดีตามสภาวะหรือตามกฎธรรมชาตินั้นเป็นของแน่นอนตามเหตุปัจจัยของธรรมชาติเองแต่ผลดีตามนิยามและนิยมของมนุษย์ ขึ้นต่อเจตจำนงเกี่ยวเนื่องกับความต้องการของมนุษย์ตามกาลและเทศะเป็นต้นซึ่งจะต้องใช้ปัญญาวิเคราะห์สืบค้นออกมาหลักปฏิบัติที่ถูกต้องก็คือไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามพึงมุ่งผลดีตามสภาวะเป็นแกนหรือเป็นหลักไว้ก่อนซึ่งมาทำก็ยอมได้ส่วนผลดีเชิงสังคมเป็นต้นพึงถือเป็นเรื่องรองหรือเป็นส่วนประกอบจะได้หรือไม่ ก็แล้วแต่ปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้ก็ดีไม่ได้ก็แล้วไปเช่นทำดีเพื่อให้เกิดความดีใครจะยกย่องสรรเสริญหรือไม่ก็ไม่มัวติดข้องหรือทำดีเพื่อฝึกตนเพื่อให้ชีวิตและสังคมเจริญงอกงามโดยไม่ต้องคิดจะเอาหรือจะได้อะไรจากสังคมแต่ถ้ามุ่งเอาผลดีด้านสังคมเป็นต้นโดยไม่ทำให้เกิดผลดีตามสภาวะ ถึงจะได้ผลที่ต้องการแต่จะกลายเป็นการหลอกลวงซึ่งมีแต่จะทำให้ชีวิตและสังคมเสื่อมทรามลงไปไม่เร็วก็ช้าในพระอภิธรรมปิดกแสดงหลักพิจารณาว่ากรรมดีกรรมชั่วที่ทำแล้วจะให้ผลปรากฏ อ, ออกมายังต้องขึ้นต่อองค์ประกอบอีกสอย่างคือคติได้แก่ภพถินที่เกิดที่อยู่ทางชีวิต อุปธิสภาพกายรูปร่างกาละเวลายุคสมัยจังหวะประโยคะการที่ทำซึ่งเหมาะตรงเรื่องครบถ้วนเป็นจำนานหรือไม่องค์ประกอบทั้งสีนี้ที่เอื้อต่อกรรมดีขวางกรรมชั่วเรียกว่าสมบัติและที่ขวางกรรมดีเอื้อต่อกรรมชั่วเรียกว่าวิบัติเป็นฝ่ายละสี่ สามทำเหตุปัจจัยให้ครบที่จะให้เกิดผลที่ต้องการตามหลักความพร่างพร้อมของปัจจัยอะไรจะปรากฏเป็นผลขึ้นต้องมีปัจจัยพร่งพร้อมตรงนี้จะช่วยให้ไม่ไปติดในลทัทธิเหตุเดียวผลเดียวหลักหรือกฎไม่ได้บอกว่าเมื่อเอาเม็ดมะม่วงไปปลูกแล้วต้นมะม่วงจะต้องงอกขึ้นมาท่านพูดแต่เพียงว่า จากเม็ดมะม่วงต้นไม้ที่จะงอกขึ้นมาก็เป็นมะม่วงนี่คือเหตุไปสู่ผลหรือปัจจัยตัวตรงสภาวะไปสู่ผลการที่เม็ดมะม่วงจะงอกขึ้นมาเป็นต้นมะม่วงนั้นไม่ใช่มีแต่เม็ดมะม่วงอย่างเดียวแล้วจะได้ต้นมะม่วงต้องมีดินมีปุ๋ยในดินมีน้ํามีแก๊สเช่นออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์มีอุณหภูมิพอเหมาะเป็นต้นผู้สั้นๆว่า เมื่อปัจจัยพร่างพร้อมแล้วต้นมะม่วงจึงจะงอกขึ้นมาได้นอกจากผลที่เรามองจะเกิดจากปัจจัยหลายอย่างพร่างพร้อมแล้วปัจจัยแต่ละอย่างที่มาพร่างพร้อมนั้นก็สัมพันธ์ไปสู่ผลอย่างอื่นที่เราไม่ได้มองขณะนั้นด้วยดังด้พูดแล้วข้างต้นได้บอกแล้วว่าให้มุ่งผลดีตามสภาวะเป็นหลักหรือเป็นแกนไว้ก่อน ตอนนี้ก็มองดูว่ามีปัจจัยตัวไหนบ้างที่จะต้องทำให้ครบที่จะเกิดผลนี้ต่อจากนั้นเมื่อยังต้องการผลดีด้านไหนอีกเช่นในทางสังคมเป็นต้นก็พิจารณาให้ครบแล้วทำการมดีให้ได้เหตุปัจจัยพรั่งพร้อมที่จะเกิดผลดีตามที่ต้องการนั้น 4. ี่ฝึกฝนปรับปรุงตน ให้ทากรรมได้ผลดียิ่งขึ้นไปตามหลักความไม่ประมาทโดยเฉพาะความไม่ประมาทในการศึกษาเราจะต้องฝึกกายวาจาจิตใจและปัญญาเรียกรวมว่าไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาให้สามารถทากรรมที่ดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเช่นจากกรรมชั่วเปลี่ยนมาทากรรมดีจากกรรมดีก็ก้กาวไปสู่กรรมดีที่ประณีต หรือสูงยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นในชีวิตก้าวไปในมรรคคือในวิถีชีวิตประเสริฐที่เรียกว่าพรหมจรยิยาหรือพรหมจันทร์ถ้าใช้คําศัพท์ก็คือก้าวจากอากุศลมากอากุศลน้อยไปสู่อกุศลน้อยอกุศลมากจากกามาวาจะระ ก, กุศลไปสู่รูปาวาจะระ ก, กุศลไปสู่อรูปาวาจะระ ก, กุศลและไปสู่โลกุตระ ก, กุศล ถ้าใช้สำนวนพูดให้เหมาะกับคนสมัยนี้ก็คือพัฒนากรรมให้ดียิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อทำกรรมดีตามหลักในข้ อ, อก่อนไปแล้วถ้าผลดีในความหมายหรือในแง่ที่เราต้องการไม่ออกมาก็วิเคราะห์สืบสาวว่าทากรรมนั้นแล้วแต่สำหรับผลดีแง่นี้ปัจจัยอะไรบ้างขาดไปหรือยังบกพร่องส่วนไหนจะได้แก้ไขปรับปรุง เพื่อว่ากล่าวต่อไปจะได้ทำให้ตรงให้ถูกแน่ให้ครบนี่คือความไม่ประมาทในการศึกษาที่จะใช้ปัญญาพิจารณาแก้ปัญหาและพัฒนากรรมให้ดีและให้ได้ผลยิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นนายชูกิจได้ยินข่าวสารจากวิทยุเป็นต้นพูดถึงปัญหาของบ้านเมืองที่ว่าป่าลดน้อยลงจนน่ากลัวจะต้องช่วยกันปลูกต้นไม้ให้มากๆ และมีข่าวด้วยว่าบางแห่งคนมากมายช่วยกันปลูกต้นไม้มีการนำมายกย่องบางทีมีการให้รางวัลด้วยนายูกิจได้ยินได้ฟังข่าวแล้วก็เกิดศรัทธาเที่ยวดูสถานที่เหมาะใกล้หมู่บ้านของเขาแล้วหาต้นไม้เหมาะมาปลูกต้นไม้ก็ขึ้นงอกงามดีเขาปลูกไปได้หลายต้นเวลาผ่านไประยะหนึ่งเขามานึกดูว่าเขาทาความดีนี้มาก็นานแล้ว ไม่เห็นมีใครสนใจก็เลยชักจะท้อและน้อยใจว่าเราอุตส่าห์ทำดีเหนื่อยไปมากมายไม่เห็นได้ดีอะไรพอมองลึกลงไปในใจของคุณชูกิจปรากฏว่าเขาอยากได้ความนิยมยกย่องและหวังจะได้รางวัลด้วยเมื่อวิเคราะห์ตามหลักความสัมพันธ์สืบทอดเหตุปัจจัยสู่ผลต่างๆที่ตรงกันก็เห็นได้ว่า ผลตามกฎธรรมชาติหรือผลตามธรรมก็เกิดขึ้นแล้วคือเขาปลูกต้นไม้เมื่อทำเหตุปัจจัยของมันครบต้นไม้ก็ขึ้นมาผลตามธรรมแก่ตัวเขาเองก็เป็นผู้ทำการนั้นเขาก็ได้แล้วเช่นเกิดและเพิ่มความรู้ความเข้าใจความชำนาญที่เรียกกันว่าทักษะในเรื่องต้นไม้และการปลูกต้นไม้ตลอดจนผลพวงเช่นร่างกายแข็งแรงเสริมสุขภาพ ผลตามทำแกสังคมคือท้องถิ่นของเขาตลอดถึงโลกมนุษย์ทั้งหมดได้สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ดีงามเพิ่มขึ้นแต่ผลที่ตัวเขาว่าดีที่เขาไม่ได้คือผลทางสังคมหมายถึงผลที่จะได้แก่ตัวเขาจากสังคมได้แก่เสียงยกย่องและรางวัลหรือเงินทองของตอบแทนซึ่งไม่ใช่เป็นผลที่ตรงตามเหตุปัจจัยของการปลูกต้นไม้ ถ้าคุณชูกิจ ต, ต้องการผลทางสังคมที่ว่านี้ก็ต้องดูและทำปัจจัยเหล่านั้นด้วยเริ่มต้นแต่ดูว่าการทำความดีด้วยการปลูกต้นไม้นี้เข้ากับกระแสนิยมของท้องถิ่นของตนหรือไม่คือพิจารณาโดยกาลเทสะหรือโดยคติและกาละถ้าจะให้ได้รับคํายกย่องและรางวัลจะต้องทำปัจจัยอะไรประกอบเพิ่มเข้ามากับการทาความดีคือการปลูกต้นไม้นั้นแล้วทาให้ครบ ที่จริงถ้าคุณจูกิจมุ่งหวังผลดีที่แท้คือผลตามธรรมที่ว่าข้างต้นไม่มัวห่วงผลทางสังคมแก่ตัวตนเขาจะได้ผลตามธรรมเพิ่มขึ้นอีกอย่างหนึ่งด้วยคือปิติละเอิบอิ่มใจและความสุขในการทำความดีและในการที่ได้เห็นผลดีตามธรรมด้านต่า ง, างเพิ่มขยายคลี่คลายขึ้นมาเรื่อยๆตลอดเวลาแต่ความหวังผลดีแก่ตัวตนได้ปิดกั้นปิติสุขนิเส และนำซ้ำทำให้เขาได้รับความผิดหวังและความช้ำใจเข้ามาแทนยิ่งกว่านั้นถ้าเขาฉลาดในความดีและฉลาดในการทำประโยชน์เมื่อเขาจะเริ่มหรือกาลังทำการนั้นอยู่เขาอาจจะชักชวนคนอื่นๆให้รู้ข้อใจมองเห็นประโยชน์ของการปลูกต้นไม้แลมาร่วมกับเขาบ้างหรือต่างคนก็ไปทำของตนบ้างแปรขยายการปลูกต้นไม้ให้กว้างออกไป นอกจากผลตามธรรมทุกด้านจะเพิ่มพูนแล้วผลทางสังคมแก่ตัวเขาก็อาจจะปลอยตามมาด้วยจะต้องชัดกับตนเองว่าผลดีตามธรรมหรือธรรมะของการมดีนั้นๆคืออะไรและควรฝึกตนให้ต้องการผลตามธรรมนั้นก่อนผลอย่างอื่นและนอกจากนั้นเราต้องการผลดีอย่างไหนอีกและเพื่อให้เกิดผลดีนั้นๆจะต้องทาปัจจัยอะไรเพิ่มอีกบ้าง เมื่อจะทำก็ทำเหตุปัใจจัยให้ครบเมื่อทำไปแล้วก็ตรวจสอบให้รู้ปัจจัยที่ยิ่งและหย่อนสำหรับผลดีแต่ละด้าน น, น, นั้นเพื่อทำให้ครบและดียิ่งขึ้นในครั้งต่อไปอันหนึ่งผลดีทางสังคมหรือผลดีจากสังคมแก่ตัวตนนั้นอาจจะไม่สอดคล้องกับผลดีตามธรรมก็ได้ บางครั้งบางเรื่องอาจจะถึงกับตรงกันข้ามเลยก็ได้ทั้งนี้ขึ้นต่อปัจจัยทางสังคมเป็นต้นที่เนื่องด้วยกาละเทสะเช่นในกาละและเทสะที่ธรรมวาทีอ่อนกําลังและอธรรมวาทีมีกําลังดังนั้นจึงต้องพิจารณาด้วยว่าผลที่ว่าดีนั้นเป็นของสมควรหรือไม่เราจะเอาทำคือธรรมะไว้หรือจะไปกับตัวตน จะต้องไม่ประมาทในการศึกษาและพัฒนากรรมกันอย่างนี้จึงจะถูกต้องนี่ก็คือการพัฒนาตัวเราเองและพัฒนาสังคมไปด้วยไม่ใช่ทาอะไรไปแล้วก็มองแง่เดียวชั้นเดียวว่าได้ผลที่ตนต้องการหรือไม่ได้พอไม่ได้ก็เอาแต่โวยวายโอดครวนว่าทาดีไม่ได้ดีเลยไม่เปไหนจะ ต, ต้องขอเตือนไว้ด้วยว่า คนที่ต้องการผลดีต่อบุคคลคือแค่ที่ถูกใจตนหรือตัวเองชอบใจและผลดีตามกระแสหรือค่านิยมของสังคมนั้นถ้าไม่มองให้ถึงผลดีตามสภาวะหรือผลดีตามธรรมหรือธรรมะซึ่งเป็นผลที่ดีอย่างแท้จริงต่อชีวิตต่อหลักการและต่อความดีงามที่แท้ของสังคมแล้วแม้จะทำกรรมเพื่อผลดีที่ตนต้องการนั้นได้เก่งแต่ก็คือทากรรมไม่ดี หรืออกุศลซ่อนไว้ซึ่งตัวเองอาจจะมีปัญหารู้ไม่ทันผลแย่อื่นเพราะมัวแต่มองเพียงผลดีแบบที่ตัวต้องการอย่างเดียวด้านเดียวแล้วในไม่ช้าหรือในที่สุดอกุศลที่แฝงไว้นั้นก็จะออกผลให้โทษต่อไปจึงได้ย้ำไว้ข้างต้นว่าไม่ว่าจะต้องการผลดีข้างเคียงอะไรก็ตามขอให้ทากรรมดีเพื่อผลดีที่ตรงตามสภาวะหรือผลดีตามธรรม คือธรรมะเป็นหลักเป็นแกนไว้ก่อนถ้าปฏิบัติตามนี้จะได้ผลดีที่แท้และปลอดภัยในระยะยาวดีทั้งแก่ชีวิตแก่สังคมแก่ตนและแก่ผู้อื่นเราคงจะมุ่งเอาผลดีต่อตัวตนของบุคคลผลดีตามกระแสสังคมหรือผลดีเชิงค่านิยมกันมากไปจึงมองไม่เห็นผลดีที่ตรงไปตรงมาตามธรรม ถ้าอย่างนี้ก็จะต้องบนเรื่องทำดีไม่เห็นได้ดีแต่ทำชั่วได้ดีมีถมไปกันอยู่อย่างนี้เรื่อยๆและคงจะแก้ปัญหาของสังคมได้ยากเพราะความคิดของเราเองก็เป็นกรรมไม่ดีที่เป็นปัจจัยร่วมให้เกิดผลอย่างนั้นด้วยถ้ามองกันอยู่แค่นี้ก็จะไม่มีคนอย่างพระโพธิสัตว์ที่ถึงแม้จะถูกเขาทำร้ายหรือฆ่าก็ยังเข้มแข็งอยู่ในการทำความดี และมุ่งผลดีที่ตรงไปตรงมาตามความจริงของมันถ้าจะช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ชีวิตและสังคมนี้แต่ยังหวงผลดีต่อตัวตนผลดีเชิงบุคคลและผลดีเชิงค่านิยมทางสังคมอยู่ก็ขอแค่ว่าอย่าถึงกับละทิ้งหรือละเลยความต้องการผลดีที่ตรงตามธรรมผลดีต่อชีวิตและผลดีที่แท้ต่อสังคมเอาพอประณีประนอมกัน แค่นี้ก็จะประคับประคองโลกมนุษย์ให้พออยู่กันไปได้แต่จะเอาดีจริงคงยากเพราะมนุษย์นี้เองไม่ได้ต้องการผลดีแท้จริงที่ตรงตามธรรมหรือธรรมะของกรรมดีหัวข้อที่ห้า ทำกรรมเก่าให้เกิดประโยชน์คนไทยสมัยนี้ได้ยินคําว่ากรรมมักจะนึกไปในแง่ว่ากรรมจะตามมาให้เคราะให้โทษอย่างไรพูดถึงกรรมก็จะนึกถึงอะไรอย่างหนึ่งที่คอยตามจะลงโทษหรือทำให้เราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้โดยเฉพาะคิดไปถึงชาติก่อนคือมองกรรมในแง่กรรมเก่าและเป็นเรื่องไม่ดี คำว่ากรรมเก่าก็บอกอยู่ในตัวเองแล้วว่ามันถูกจำกัดให้หดแคบเข้ามาเหลือเพียงส่วนหนึ่งเราเติมคำว่าเก่าเข้าไปกรรมก็เหลือแคบเข้ามายิ่งนึกในแง่ว่ากรรมไม่ดีอีกก็ยิ่งแคบหนักเข้ารวมแล้วก็คือเป็นกรรมที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ไปๆมาๆก็เลยอะไรๆก็แล้วแต่กรรมคือหมายถึงกรรมเก่าที่ไม่ดีบางทีถึงกับมีการหาทางตัดกรรม เลยพลัดออกไปจากพระพุทธศาสนาความจริงกรรมก็เป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติคือเป็นเรื่องความเป็นตามเหตุปัจจัยของชีวิตมนุษย์ที่มีเจตนามีการคิดการพูดและการกระทาแสดงออกมีความสัมพันธ์กับสิ่งทั้งหลายแล้วก็เกิดผลต่อเนื่องกันไปในความสัมพันธ์นั้นถ้ามัวไปยึดถือว่าแล้วตกรรมเก่าปางก่อนอย่างเดียว ก็จะทำกรรมใหม่ที่เป็นบาปอกุศลโดยไม่รู้ตัวความหมายว่าไรก็ตามที่ปลงว่าแลแต่กรรมนั้นซึ่งหมายถึงกรรมเก่านั้นก็คือเขากําลังทําความประมาทที่ปล่อยปละละเลยไม่ทํากรรมใหม่ที่ควรทําความประมาทนั้นก็เลยเป็นกรรมใหม่ของเขาซึ่งเป็นผลจากโมหะแล้วกรรมใหม่ที่ประมาทเพราะโมหะหลงงมงายนั้น ก็จะก่อผลร้ายแก่เขาต่อไปความเชื่อว่าชีวิตเป็นอย่างไรก็ลัตต่กรรมเก่ากรรมปางก่อนหรือกรรมในชาติก่อนคือลทัทธิกรรมเก่านั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิที่เรียกว่าอุปเพกะตะเหตุวาธะหรือเรียกสั้นๆว่าอุปเพกะตะวาธะหรือปุปเพกะตะวาดดังพุทธพจน์ที่แสดงแล้วข้างต้น ท่านไม่ได้สอนว่าไม่ให้เชื่อกำเก่าแต่ท่านสอนไม่ให้เชื่อว่าอะไรๆจะเป็นอย่างไรก็เพราะกำเก่าการเชื่อแต่กำเก่าก็สุดตรงไปข้างหนึ่งการไม่เชื่อกำเก่าก็สุดตรงไปอีกข้างหนึ่งได้กล่าวแล้วว่ากำพอเติมเก่าเข้าไปคำเดิมที่กว้างครบถ้วนสมบูรณ์ก็หดแคบเข้ามาเหลืออยู่ส่วนเดียว อย่ามองกรรมที่กว้างสมบูรณ์ให้เหลือส่วนเดียวแค่กรรมเก่าเรื่องกรรมที่เชื่อกันในแง่กรรมเก่านี้มีจุดพลาดอยู่สองแง่คือแง่ที่หนึ่งไปจับเอาส่วนเดียวเฉพาะอาดีตทั้งที่กรรมนั้นก็เป็นกลางกลางไม่จำกัดถ้าแยกโดยการเวลาก็ต้องมีสมคือกรรมเก่าหมายถึงในอดีตกรรมใหม่หมายถึงในปัจจุบัน และกรรข้างหน้าหมายถึงในอนาคตต้องมองให้ครบแง่ที่สองมองแบบแยกขาดตัดตอนไม่มองให้เห็นความเป็นไปของเหตุปัจจัยที่ต่อเนื่องกันมาโดยตลอดคือไม่มองเป็นกระแสรหรือกระบวนการที่ต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาแต่มองเหมือนกับว่ากรรมเก่าเป็นอะไรก้อนหนึ่งที่ลอยตามเรามาจากชาติก่อนแลมารอทาอะไรกับเรา ออยยู่่เรืๆถ้ามองกรรมให้ถูกต้องทั้ง3มการและมองอย่างเป็นกระบวนการของเหตุปัใจจัยในด้านเจตจำนงและการคิดทำพูดของมนุษย์ที่ต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาก็จะมองเห็นกรรมถูกต้องชัดเจนและง่ายขึ้นในที่นี้แม้จะไม่อธิบายรายละเอียดแต่จะขอให้จุดสังเกตในการทำความเข้าใจสองสาอย่างจุดสังเกตที่หนึ่ง ไม่มองกรรมแบบแยกขาตัดตอนคือมองให้เห็นเป็นกระแส ท, ที่ต่อเนื่องตลอดมาจนถึงขณะ น, นี้และกำลังดาเนินสืบต่อไปถ้ามองกรรมไม่ครบสามการและมองเป็นกระบวนการต่อเนื่องจากอดีตมาถึงบัดนี้และจะสืบไปข้างหน้าก็จะเห็นว่ากรรมเก่าส่วนอดีตก็คือเอาขณะปัจจุบันเดี๋ยวนี้เป็นจุดกาหนดนับถอยจากขณะ น, นี้ย้อนหลังไปนานเท่าไหร่ก็ตาม อีร้อยกี่พันชาติก็ตามมาจนถึงขณะหนึ่งหรือวินาทีหนึ่งก่อนนี้ก็เป็นกรรมเก่าส่วนอดีตทั้งหมดกรรมเก่าทั้งหมดนี้คือกรรมที่ได้ทำไปแล้วส่วนกรรมใหม่คือในปัจจุบันก็คือที่กำลังทำทำซึ่งขณะต่อไปหรือวินาทีต่อไปก็จะกลายเป็นกรรมเก่าคือเป็นส่วนอดีตและอีกอย่างหนึ่งคือกรรมข้างหน้า ซึ่งยังไม่ถึงแต่จะทำในอนาคตกรรมเก่านั้นยาวนานและมากนักหนาสำหรับคนสามัญกรรมเก่าที่พอมองเห็นได้ก็คือกรรมเก่าในชาตินี้ส่วนกรรมเก่าในชาติก่อนๆ ก, ก็อาจจะลึกล้ำเกินไปเราเป็นนักศึกษาก็ค่อยๆเริ่มจากมองใกล้หน่อยก่อนแล้วจึงค่อยๆขยายไลออกไป อย่างเช่นเราจะวัดหรือตัดสินคนด้วยการกระทำของเขากรรมใหม่ในปัจจุบันเรายัางไม่รู้ว่าเขากำลังจะทำอะไรเราก็ดูจากกรรมเก่าคือความประพฤติและการกระทำต่างๆของเขาย้อนหลังไปในชีวิตนี้ตั้งแต่วินาทีนี้ไปนี่ก็กรรมเก่าซึ่งใช้ประโยชน์ได้เลย จุดสังเกตที่สองรู้จักตัวเองทั้งทุนที่มีและข้อจำกัดของตนพร้อมทั้งเห็นตระหนักถึงผลสะท้อนที่ตนจะประสบซึ่งเกิดจากกรรมที่ตนได้ประกอบไว้กรรมเก่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเราทุกคนเพราะแต่ละคนที่เป็นอยู่ขณะ น, นี้ก็คือผลรวมของกรรมเก่าของตนที่ได้สะสมมาด้วยการทำพูดคิดการศึกษาพัฒนาตน และความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมในอดีตทั้งหมดตลอดมาจนถึงขณะหรือวินาทีสุดท้ายก่อนขณะนี้กรรมเก่านี้ให้ผลแก่เราหรือเรารับผลของกรรมเก่านั้นเต็มที่เพราะตัวเราที่เป็นอยู่ขณะ น, นี้เป็นผลรวมที่ปรากฏของกรรมเก่าทั้งหมดที่ผ่านมากรรมเก่านั้นเท่ากับเป็นทุนเดิมของเราที่ได้สะสมไว้ซึ่งกาหนดว่าเรามีความพร้อม มีวิสัยขิดความสามารถทางกายวาจาทางจิตใจและทางปัญญาเท่าไรและเป็นตัวบ่วงชี้ว่าเราจะทำอะไรได้ดีหรือไม่อะไรเหมาะกับตัวเราเราจะทำได้แค่ไหนและควรจะทำอะไรต่อไปประโยชน์ที่สําคัญของกรรมเก่าก็คือการรู้จักตัวเองดังที่ว่านั้นซึ่งจะเกิดขึ้นได้ด้วยการรู้จักวิเคราะห์และตรวจสอบตนเอง โดยไม่มัวแต่ซัดทอดปัจจัยภายนอกการรู้จักตัวเองนี้นอกจากช่วยให้ทำการที่เหมาะกับตนอย่างได้ผลดีแล้วก็ทำให้รู้จุดที่จะแก้ไขปรับปรุงต่อไปด้วยจุดสังเกตที่สแก้ไขปรับปรุงเพื่อก้าวสู่การทำกรรมที่ดียิ่งขึ้น แน่นอนว่าในที่สุดการปฏิบัติถูกต้องที่จะได้ประโยชน์จากกา ร, รเก่ามากที่สุดก็คือการทำกรรมใหม่ที่ดีกว่ากรรมเก่าทั้งนี้เพราะหลักปฏิบัติทั้งหมดของพระพุทธศาสนารวมอยู่ในตรยศิขาอันได้แก่การฝึกศึกษาพัฒนาตนในการที่จะทำกรรมที่ดีได้ยิ่งขึ้นไปทั้งในขั้นศีลคือการฝึกกายวาจาสัมมาอาชีวะ รวมทั้งการสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมด้วยอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจในขั้นสมาธิคือฝึกอบรมพัฒนาจิตใจที่เรียกว่าจิตตาภาวนาทั้งหมดและในขั้นปัญญาคือความรู้คิดเข้าใจถูกต้องมองเห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงและสามารถใช้ความรู้นั้นแก้ไขปรับปรุงกรรม ตลอดจนแก้ปัญหาดับทุกหมดไปมิให้มีทุก์ใหม่ได้พูดสั้นๆก็คือแม้ว่ากรรมเก่าจะสําคัญมากก็มิใช่เรื่องที่เราจะไปสยบยอมต่อมันแต่ตรงข้ามเรามีหน้าที่พัฒนาชีวิตของเราที่เป็นผลรวมของกรรมเก่าวนั้นให้ดีขึ้นถ้าจะใช้คําที่ง่ายแก่คนสมัยนี้ก็คือเรามีหน้าที่พัฒนากรรมกรรมที่ไม่ดีเป็นอกุศล ผิดพลาดต่างๆเราศึกษาเรียนรู้แล้วก็ต้องแก้ไขการปฏิบัติธรรมตามหลักพธธระพุทธศาสนาก็คือการพัฒนากรรมให้เป็นกุศลหรือดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นดังนั้นเมื่อทำกรรมอย่างหนึ่งแล้วก็พิจารณาวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพและผลของกรรมนั้นให้เห็นข้อยิ่งข้อย่อนส่วนที่ขาดที่พร่องเป็นต้น ตามหลักเหตุปัจจัยที่กล่าวแล้วในหัวข้อก่อนแล้วแก้ไขปรับปรุงเพื่อจะได้ทำกรรมที่ดียิ่งขึ้นไปจะพูดว่ารู้กรรมเก่าเพื่อวางแผนทำกรรมใหม่ให้ดียิ่งขึ้นไปก็ได้หัวข้อที่ห อยู่เพื่อพัฒนากรรมไม่ใช่อยู่เพื่อใช้กรรมที่พูดมานี้เท่ากับบอกให้รู้ว่าเราจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องต่อกรรมที่แยกเป็นสามส่วนคือกรรมเก่ากรรมใหม่และกรรมข้างหน้าขอสรุปวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องต่อกรรมทั้งสามส่วนว่ากรรมเก่าคือในอดีต เป็นอันผ่านไปแล้วเราทำไม่ได้แต่เราควรรู้เพื่อเอาความรู้จักมันนั้นมาใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปรับปรุงกรรมใหม่ให้ดียิ่งขึ้นกรรมใหม่คือในปัจจุบันคือกรรมที่เราทำได้และจกต้องตั้งใจทำให้ดีที่สุดตรงนี้เป็นจุดสำคัญกรรมข้างหน้าคือในอนาคตเรายังทำไม่ได้ แต่เราสามารถเตรียมหรือวางแผนเพื่อจะไปทํากรรมที่ดีที่สุดด้วยการทํากรรมปัจจุบันที่จะพัฒนาเราให้ดีงามและงอกงามยิ่งขึ้นจนกระทั่งเมื่อถึงเวลานั้นเราก็จะสามารถทํากรรมที่ดีสูงขึ้นไปตามลําดับจนถึงขั้นเป็นกุศลอย่างเยี่ยมยอดนี่แหละคือคําอธิบายที่จะทําให้มองเห็นได้ว่าทําไมจึงว่าคนที่วางใจว่าจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่กรรม คือกรรมเก่านั่นแหละกาลังทํากรรมใหม่คือปัจจุบันที่ผิดเป็นบาปคือความประมาทได้แก่การปล่อยปละละเลยอันเกิดจากโมหะและมองเห็นเหตุผลด้วยว่าทําไมพุทธศาสนาจึงสอนให้หวังผลจากการกระทําขอย้ําอีกครั้งว่ากรรมใหม่สําหรับทํากรรมเก่าสําหรับรู้ อย่ามัวรอกรรมเก่าที่เราทำอะไรมันไม่ได้แล้วแต่หาความรู้จากกรรมเก่านั้นเพื่อเอามาปรับปรุงการทำกรรมปัจจุบันจะได้พัฒนาตัวเราให้สามารถทำกรรมอย่างเลิศประเสริฐได้ในอนาคตมีคำเก่าได้ยินมานานแล้วประโยคหนึ่งคือที่พูดว่าคนเราเกิดมาเพื่อใช้กรรมเก่าความเชื่ออย่างนั้นไม่ใช่พุทธศาสนา และต้องระวังจะเป็นลัทธินิกครนที่พูดกันมาอย่างนั้นความจริงก็คงประสงค์ดีคือมุ่งว่าถ้าเจอเรื่องร้ายก็อย่าไปซัดทอดคนอื่นและอย่าไปทำอะไรที่ชั่วร้ายให้เพิ่มมากขึ้นด้วยความโกรธแค้นเป็นต้นแต่ยังไม่ถูกหลักพระพุทธศาสนาและจะมีผลเสียมากลัทธินิกครณซึ่งมีผู้นับถือในสมัยพุทธกาล จนกระทั่งในอินเดียทุกวันนี้เป็นลทัทธิกรรมเก่าโดยตรงเขาสอนว่าคนเราจะได้สุขได้ทุกอย่างไรก็เป็นเพราะกรรมที่ทำไว้ในชาติปางก่อนและสอนต่อไปว่าไม่ทำกรรมใหม่แต่ต้องทากรรมเก่าให้หมดสิ้นไปด้วยการบาเพ็ญตบะจึงจะเส้นกรรมสิ้นทุกนักบวชลัทธินี้จึงบำเพ็ญตบะทรมานร่างกายด้วยวิธีต่าง คนที่พูดว่าเราอยู่ไปเพื่อใช้กรรมเก่านั้นก็คล้ายกับพวกนิครนนี่แหละคิดว่าเมื่อไม่ทำกรรมใหม่อยู่ไปอยู่ไปกรรมเก่าก็คงจะหมดต่างแต่ว่าพวกนิครนไม่รอให้กรรมเก่าหมดไปเองแต่เขาบาเพ็ญตบะเพื่อทากรรมเก่าให้หมดไปด้วยความเพียรพยายามของเขาด้วยมีคำถามที่น่าสังเกตว่าถ้าไม่ทำกรรมใหม่ อยู่ไปอยู่ไปกรรมเก่าจะหมดไปเองไหมเมื่อไม่ทำกรรมใหม่อยู่ไปกรรมเก่าก็น่าจะหมดไปเองแต่ไม่หมดหรอกไม่ต้องอยู่เฉยเฉยแม้แต่จะชดใช้กรรมเก่าไปเท่าไรเท่าไรก็ไม่มีทางหมดไปได้เหตุผลง่ายๆคือ 1. นคนเรายังมีชีวิตก็คือเป็นอยู่ต้องกินอยู่เคลื่อนไหวอิริยาบถ ท, ทำโนวนทำนี่ เม่ยังไม่ตายก็ไม่ได้อยู่นิ่งๆ 2. งคนเหล่านี้เป็นมนุษย์ปุถุชนก็มีโลภโกรธหลงโดยเฉพาะความหลงหรือโมหานี้มีอยู่ประจำในใจตลอดเวลาเรายัางไม่ได้รู้เข้าใจความจริงถึงสัจธรรมเมื่อรวมทั้งสองข้อนี้ก็คือคนที่อยู่เพื่อใช้กรรมนั้นเขาก็ทำกรรมมาอยู่ตลอดเวลา แม้แต่โดยไม่รู้ตัวแม้จะไม่เป็นบาปกรรมที่ร้ายแรงแต่ก็เป็นการกระทำที่ประกอบด้วยโมหะเช่นการในรูปต่างๆของความประมาทปล่อยชีวิตเรื่อยเปื่อยถ้ามองลึกเข้าไปในใจโลภโทสะโมหะก็ขุดโผล่ขึ้นมาในใจของเขาอยู่เรื่อยๆในลักษณะต่างๆเช่นเศร้าขุ่นมัวกังวลอยากน่อนอยากหนี หุดหงิดเงาเบื่อหน่ายกังวลขับข้องเป็นต้นนี่ก็คือทำกรรมอยู่ตลอดเวลาแถมเป็นอกุศ ล, ละกรรมซิด้วยเพราะฉะนั้นอย่างนี้จึงไม่มีทางสิ้นกรรมชดใช้ไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักสิ้นสุดมีแต่เพิ่มกรรมแล้วทาอย่างไรจะหมดกรรมการที่จะหมดกรรมก็คือไม่ทำกรรมชั่วทำกรรมดี และทำกรรมที่ดียิ่งขึ้นคือแม้แต่กรรมดีก็เปลี่ยนให้ดีขึ้นจากระดับหนึ่งขึ้นไปอีกระดับหนึ่งพูดเป็นภาษาพระว่าเปลี่ยนจากธรรมกุศลกรรมเป็นทํากุศ ล, ลกรร ม, รร ม, ลลรรมและทรากุศลระดับสูงขึ้นไปจนถึงขั้นเป็นโลกุตระกุศลถ้าใช้ภาษาสมัยใหม่ก็พูดว่าพัฒนากรรมให้ดียิ่งขึ้นเราก็จะมีศีล มีจิตใจมีปัญญาดีขึ้นดีขึ้นในที่สุดก็จะพ้นกรรมพูดสั้นๆว่ากรรมไม่หมดไปด้วยการชดใช้กรรมแต่หมดกรรมด้วยการพัฒนากำรรคือปรับปรุงตัวให้ทำกรรมที่ดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจนพ้นขั้นของกรรมไปถึงขั้นธรรมแต่ไม่เป็นกรรมคือทําด้วยปัญญาที่บริสุทธิ์ไม่ถูกครอบงำหรือชักจูงด้วยโลภโทส ะ, โ, ทะโมหะ ซึงจะเรียกว่าพ้นกรรมหัวข้อที่7กรรระดับบุคคลกรรมระดับสังคมหลักกรรมอีกแง่หนึ่งที่สำคัญและน่าสนใจมากคือกรรมที่แยกได้เป็นสองระดับได้แก่หนึ่ง การระดับปัจเจกบุคคลตามในยะพุทธพจน์เช่นว่ากามังสัตเตวิพัชติญาทิธัทงทีนับปณีตตายะซึ่งแปลความว่ากรมยอมจำแนกสัตว์ไปต่างๆคือให้สามและปรณีกรรระดับปัจเจกบุคคลเป็นเรื่องของส่วนย่อยจึงเป็นส่วนฐานและเป็นแกนของหลักกรรมทั้งหมดเรื่องกรรมที่ได้อธิบายมาแล้วเน้นในระดับนี้ 2- กรรมในระดับสังคมตามนัยยะพุทธพจน์เช่นว่ากรรมมุนาวัตติโลโกโกรรมุนาวัตติปชาแปลความว่าโลกคือสังคมมนุษย์เป็นไปตามกรรมหมู่สัตว์เป็นไปตามกรร ม, ม, รมกรรมในระดับนี้ซึ่งเป็นกระแสร่วมกันที่มองเห็นง่ายๆก็คืออาชีพการงาน ซึ่งทำให้หมู่มนุษย์มีวิถีชีวิตเป็นไปต่างๆร้อมทั้งกําหนดสภาวะและวิธีของสังคมนั้นๆด้วยแต่กรรมที่ลึกซึ้งและมีกําลังนําสังคมมากที่สุดก็คือมโนกรรมเริ่มด้วยค่านิยมต่างๆซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากต่อแนวทางการดําเนินชีวิตของมนุษย์ตลอดจนกิจกรรมและวิธีการในการสแสวงหาความสุขของเขาแต่มโนกรรมที่มีกําลังอนุภาพยิ่งใหญ่ที่สุด ก็คือทิฐิต่างๆซึ่งรวมถึงทฤษฎีลักทินิยมอุดมการต่างๆอันประณีตลึกลงไปและฝังแน่นและกำหนดนำชะตาของสังคมหรือของโลกสร้างประวัติศาสตร์ตลอดจนวิธีแห่งอริยธรรมเช่นทิฐิที่เชื่อและเห็นว่ามนุษยชาติจะบรรลุความสำเร็จมีความสุขสมบูรณ์ด้วยการเอาชนะธรรมชาติซึ่งได้เป็นแกนขับดันอริยธรรมตะวันตก มาสู่สภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันกรรระดับสังคมนี้เป็นเรื่องใหญ่มากอีกแง่หนึ่งขอพูดไว้เป็นแนวเพียงเท่านี้เหตุปัจจัยในปฏิจจสมุปบาทและกรรม โดยสมเด็จพระพุทธโคสาาจารย์ปออประยุตโตสำหรับท่านที่สนใจเรื่องกรรมแดะนําให้ฟังเสียงอ่านเกี่ยวกับกรรมอีกหลายเรื่องที่ชมรมผลดีได้จัดทําไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับโดยเฉพาะเรื่องหลักกรรมโดยสมเด็จพระพุทธโคสาาจารย์จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านมากยิ่งขึ้นไปเพราะการเข้าใจเรื่องกรรมสําคัญมากและควรเข้าใจหลักให้ถูกต้องก่อนอันจะมีผลต่อการพัฒนาตนไปสู่ความพ้นทุกข์ได้จริงต่อไปเสียงอ่านโดยอริยะคุณ จะทำเพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานโดยครอบครัวลิ้วสำริดและครอบครัวพันเกตมงคลขอทุกท่านร่วมอนุโมทนาเผยแพร่ต่อได้ไม่ต้องขออนุญาตแต่เพื่อธรรมทานแจกฟรีเท่านั้นและห้ามตัดต่อดัดแปลงแก้ไขเด็ดขาดสัพพะทานังธรรมทานังจินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง